ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโปทยานกำลังนำเสนอพระธรรมเทศนาที่เราเรียกว่าปฐมเทศนาคือธรรมจักกัปตนสูตรก็มาถึงช่วงที่ได้ทรงแสดงแก่ท่านปัญจวคีว่าภิกูุทั้งหลาย ปฏิทาปฏิปทาสายกลางคือข้อปฏิบัติสายกลางไปเข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้สัตวู้แล้วด้วยปัญญาจริงทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีแล้วก็เป็นไปเพื่อนิพพานก็มาพูดถึงประเด็นของคําว่าอภิญญา ที่เรียกว่าพินญายะคือเพื่อความรู้อันยิ่งแสดงว่ามันมีฐานะเป็นเหตุคำว่าเพื่อความรู้อันยิ่งก็หมายความเป็นเหตุแต่ตัวความรู้อันยิ่งก็คือผลต้องฟังคงเคยได้ยินกลุ่มธรรมะกลุ่มหนึ่งที่มีจานวนค่อนข้างมาก แต่เป็นการกากลุ่มขององค์ธรรมประมาณหกเจ็ดกลุ่มด้วยกันเราก็มีชื่อเรียกอยู่สองชื่อเรียกว่าโพธิปุกีธรรมแปลว่าธรรมะเป็นฝักฝ่ายหรือเป็นพวกของธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรูอีกหนึ่งก็เรียกว่าอภิญญาเทศิตธรรมแปล ว, ว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเพื่อความรู้อันยิ่ง ก็คือความรู้ที่ทำลายตัวอวิชชามีพระอาหารหันต์เป็นที่สุดองค์ธรรมเหล่านี้แม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปมากจนถึงสามสิบเจ็ดข้อแต่เราก็สรุปรวมลงที่อริยมรรคเบองแปดประการนั่นเองและในความเป็นอริยมรรคเบองแปดประการมันก็สรุปรวมอยู่ใน ใจที่ขาทั้งสามประการหรือศีลสมาธิปัญญาเรา อ, อาจจะพูดว่าทานศีลภาวนาเรา อ, อาจจะพูดว่าการไม่ทำบาต ท, ทั้งปวงการทำกุศลในสมบูรณ์การทาจิตใด้ฟ่องแทวเรา อ, อาจจะพูดว่าสมถาวิปัสสนาก็ได้ในภาคสนามแล้วก็จะมีจุดปรรจบอย่างเดียวกัน คือจะสร้างดวงตาสร้างยานเกิดความสงบเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานในระดับต่างๆในที่นี้จะพูดอภิญญาส่วนที่เป็นผลซึ่งก็เกิดมาจากเหตุคือการปฏิบัติตามหลักรกริมปรุงแปดประการแต่ว่ามันก็มีอยู่สองระดับ ระดับหนึ่งเป็นโลกิยธรรมหมายความมาเป็นผลของการบำเพ็ญสมาธิได้ระดับฌานมันก็สามารถเกิดอริ ญ, ญาระดับที่เป็นโลกิยะได้อย่างตานานความเป็นมาของอิสิปัตนามรุกัตายวันที่เล่าไว้นานแล้วนะคําว่าอิสิปัตนะที่แปลว่าสีตกฤรืสีหล่นสีตรง น, นั้นก็ได้อรญญา แต่ว่าเป็นโลกิยะท่านก็เลื่อนลอยมาในเบื้องนาภากาศแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสาวร้องเพลงท่านก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงผู้เสียงคนอยู่นะอยู่ในป่าก็เกิดกำนัดพอใจในเสียงพอมองไปเห็นรูปก็เกิดพอใจในรูปชานก็เสื่อมแล้วก็ตกลงมาในบริเวณตรงนั้น แต่ท่านบอกว่าเป็นการตกทำนองคล้ายๆกับซัารีที่มันร่วงหล่นมาคือไม่ไม่ใช่กระแทกพื้นโครมลงไปแข่งข้าก็าสามารถประคับประคองจิตไว้ได้การเลื่อนลอยมาในเบื้องน า, ากาศเนี่ยเป็นผลของศีลสมาธิหรือผู้ง่าเป็นผลของอภิยญาในส่วนผลที่เป็นโลกิยะ แต่ว่าพวกนี้เป็นกุปฐังคือกําเริบได้เปลี่ยนแปลงได้เอานิยายนี ไ, ไมันก็ได้การจะทําให้เกิดขึ้นนี่ทำยากแต่ว่าทาให้เสื่อมนี่มันง่ายก็เทียบแล้วใกล้ๆกับเราสร้างตึกนะฮะกว่าจะสร้างได้นี่นานแต่ว่าทำลายทีเดียวก็พังแล้วร้นความดีนี่มันทวนกระแสะกิเลส ว่าจะทวนขึ้นไปได้จริงๆก็นานแต่พระบดที่จะถูกทําลายขึ้นมาก็ทําลายคนบางคนอาจจะทําความดีต่อเนื่องกันมาจนแก่จนเฒ่ากเกษียณอายุราชการตั้งนานแล้วมันเกิดไปพลาดในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งขึ้นมามันก็เป็นไปอย่างที่โบราณท่านว่านะฮะ รอดีพันดีช่วงหนึ่งทีผ่าดีไม่รอดความดีจะถูกลบเลือนหายไปนคนที่อยู่บนเส้นทางของความดีเนี่ยจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในการปฏิบัติความดีที่ท่านเน้นเอาไว้ว่าให้รักษาความดีของตนไว้เหมือนคือรักษาความเข็มคือจะเล็กจะน้อยก็คงความเข็มไว้ให้ได้อภินญานั้นบางครั้งเนี่ย โกนก็อาจจะไม่เชื่อซึ่งก็เป็นปัญหาตาววอนก็ในในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่ามันไปคล้ายๆกับบางข้อนะฮะมันไปคล้ายๆกับมายาวีหรือมายากลที่เขาเล่นกันอยู่ในสมัยนั้นเช่น ว, วิธีการแสดงฤทธิต์ต่างๆได้เนี่ย เป็นผลสําเร็จทางใจที่ท่านฝึกปลือของท่านมาท่านสามารถแสดงอะไรที่ฝืนธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเช่นมนุษย์เดินบนน้าไม่ได้ท่านเดินได้มนุษย์เดินลอยไปบนอากาศไม่ได้ท่านไปได้มนุษย์แทรกลงไปในดินไม่ได้ท่านก็แทรกลงไปได้ก็แสดงว่าทําอะไรที่ผิดธรรมดามนุษย์ แต่ถ้าเราศึกษาถึงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติที่กว่าจะมาถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ควรชื่อถือว่าเป็นไปได้ทำนองคล้ายๆกับการฝึกปรือของพวกนักลีธาทั้งหลายแล้วก็มีคนเก่งระดับชั้นโอลิมปิกแชมป์โลกเลยแต่ถามว่าทำได้ทุกคนไมมคนส่วนน้อยแต่นั่นเองที่ทำได้ คนทั่วไปก็ทำไม่ได้จะต้องมีการฝึกปรืออย่างต่อเ น, นื่องตนเราเทียบแนวนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าจิตตรีธามันก็ทำนองเดียกวกับกายกะกีธาซึ่งจิตตะกีทานั้นไม่ยากกว่ากายตะกีธาเพราะจิตใจจะต้องสงบแล้วก็สมาธิต้องดีวกแวกไม่ได้วพราแวกก็เสือมอย่างที่กล่าวแล้ว แล้วก็ประการต่อไปก็คือทิปกระสุนไปหูทิปคือสามารถที่จะกำหนดใจเพื่อจะฟังเสียงในที่ใดที่หนึ่งได้ตามต้องการแต่เนื่องจากพันพัฒนาการทางจิตมาขั้นสูงคือไม่ใช่เป็นนึกอยากจะฟังอะไรไปยุ่งไปหมดไม่ใช่อย่างนั้น เวลาท่านต้องการฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่กรุณาต้องการจะช่วยเหลอือกูลคนทั้งหลายอย่างพพุทธยาณเนี่ยทรงใช้ที่ประสูตบ่อยแต่ว่าเป็นการใช้ในลักษณะผสมกลมคลืนคือรู้กันในหมู่พระสงฆ์เช่นว่าพระไปนั่งคุยกันถ้าหากว่าคุยกันคุยกันได้เรื่องได้ราวนะฮะอยู่ในกฎในเกณฑ์ ไม่นอกเรื่องพุทเจ้าก็ไม่เสด็จแต่แต่เห็นว่าจะออกไปนอกเรื่องแล้วหรือว่าท่านเกิดเครือแครงสงสัยไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มีคนชี้แจงในตรงนั้นพุทเจ้าก็จะเสด็จแล้วก็เข้าไปไปชี้แจงหรือไปให้สติตักเตือนก็แล้วแต่นั้นก็แสดงว่าทรงใช้ที่ประจักษสุขที่ประโสนิทุชิปเนี่ย ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นปกติธรรมดาของพระอรหรรันต์ทั้งหลายแต่เราเทียบก็คงจะเป็นโทรศัพท์มือถืออะไรต่ออะไรในปัจจุบันเนี่ยเพราะมันมีเรื่องราวที่ว่าท่านเล่าใกล้ๆกับธรรมดามากเต็นบางครั้งพระพุทธเจ้าวัดสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่อยู่คนละทิศละทางกันนะฮะอยู่ไกลกันเป็นโยดโยดพระเจ้ากำหนดพระไทย ไอภาษารีบุตรพระโมคคลานะเข้าเฝ้าเนี่ยก็มาแป๊บเดียวแหละตัวแทงว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายนั้นเป็นจิตที่ลึกซึ้งยากต่อการอย่างรู้เลยก็กลายเป็นเรื่องวิสัยไปคอเคลียวอิทธิวิสยัยเป็นวิสัยของผู้มีดิจแล้วก็ทิพโสตในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราก็เทียบได้กับคลนวิทยุ ก็ส่งมาจากที่ต่างๆเดี๋ยวถ้าเราไม่มีเครื่องรับเราก็รับไม่ได้เสียงทั้งหลายในโลกมันก็อยู่ในระดับต่างๆขึ้นเสียงไม่เยอะแยะไปหมดแต่โดยเฉ่าแม้แต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยระดับหนึ่งรับได้ระดับหนึงหน่งรับไปได้มันต้องมีเครื่องมือที่ประณีตขึ้นไปกว่านั้นรับได้เป็นต้นความก้าวหน้าเหล่านี้ที่จริงไปสนับสนุนคุณธรรมของพระอรหันต์ เราสามารถปฏิบัติได้จริงๆแล้วก็เจโตปริยานคือรู้ใจถ่ายใจคนเข้าใจคนได้เขาคิดยังไงเขามีพื้นจิตยังไงจิตเขามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเนี่ยจะรู้ได้เป็นการรู้เพื่อจะอนุเคราะห์เขา คือเข้าใจความคิดเขาแล้วก็จะสอนธรรมะจะชี้แจงจะอธิบา ย, ยสอนรับกับพื้นฐานของเขาหมายความเมื่อต้องการรู้ก็เกิดจากการุณาต่อเขาจึงนกาหนดจิตรู้ความคิดของคนเนี่ยโอ้นี้จิตก็เป็นอย่างนี้จิตก็เป็นอย่างนี้จิตก็เป็นอย่างนี้คล้ายๆกับหมอทางจิตเวชแต่ว่าเทียบกันไม่ได้นะฮะมันลักษณะอย่างนั้นก็เป็นการศึกษาถึงสภาพจิตของคน แต่ว่าเขาจะต้องสักถามสอบถามแต่ท่านเหล่านี้ท่านไม่ต้องสักถามสอบถามอะไรท่านก็รู้แล้วก็ต่อไปก็เป็นภูมิยานสามคือปุเพนวานสารตยานอึกชาติก่อนก่อนได้จุตูปปาตยานุจักการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและอาสวัคยานคือยานที่ทําอาสวะให้หมดไปสิ้นไป ซึ่งบริกรามาแล้วเมื่อตอนที่วาดด้วยการศัสรู้แต่เราทาตอนนี้จริงเลยจะเจออีกเยอะนะเพราะว่าเป็นธรรมะหละักหมายความตะ้เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเกิดขึ้นใครๆก็ได้ในธรรมจั ก, กรวัตนาสูตรเองความหมายของเรื่องเหล่านี้ปรากฏหลายแห่งแล้วก็ด้วยภาษาที่แตกต่างกันแต่ก็หมายถึงสิ่งตัเ น, นี้ย ส่วนสัมโบธายะนั้นก็ได้พูดไว้แล้วก่อนที่สัสจารูแล้วก็นิพพานเนี่ยเป็นภาษาที่จะต้องทำความเข้าใจเยอะก็ะค่อยว่ากันในช่วงหลังประเด็นที่น่าศึกษาทำความเข้าใจโดยละเอียดก็คือตัวอริมักยงแปดประการซึ่งเป็นธรรมะส่วนเหตุธรรมะกลุ่มนี้ถ้าเราจะต้องการกระจายจริงๆนะฮะก็กระจายไปหมดกุศลละธรรมเลย ก็เรียกว่าพูดกันเป็นปีๆเช่นสมมุติเราสอนหนังสือวันสองสามชั่วโมงแล้วก็พูดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปยึดโยงไปในกุศลธรรมไปทั้งหมดกุศลธรรมส่วนเหตุกับผลคือความสุขความสงบความเยือกเย็นทั้งหลายที่จริงมันมาจากเหตุเหล่าเนี้ยเทียนได้ว่าเป็นปริยายใดปริยายหนึ่งแต่ตัวริมักเองเนี่ยทรงแสดงในรูปของ นิปรยายคือหมายความไม่ได้ใช้อะไรมากลงแปดประการและอย่างนี้ทุกทีก็รับสั่งแสดงเป็นการเน้นยำ้ำก็เป็นวิธีการสื่อสารของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งคือหมายความว่าทรงแสดงเหตุแล้วก็ทรงแสดงผลหรือทรงแสดงผลแล้วก็ทรงแสดงเหตุ ในที่นี้ก็ส่งแสดงผลแล้วก็กลับมาสู่เหตุเราสั่งว่าดวงกอรพิสุททั้งหลายก็ปฏิภาตาสายกลางที่ตถาคตได้สัสรุแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งตามดวงตาให้เกิดธรรมญาณให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีและเป็นไปเพื่อความรู้ดับนั้นอ่าเป็นไปเพื่อความดับหรือนิพพานนั้นเป็นจไหน แล้วก็ทรงยกมาทีละข้อคือเป็นที่น่าสังเกตว่าท่านปัญจวัคคีนี่ไม่ใช่มือธรรมดาเนี่ยพระพระเจ้าไม่ได้อธิบายขยายความของอริมักมีองศาประการว่าแต่ละข้อี่มันคืออะไ ร, ระอริมักแต่ละข้อเนี่ยมันย่อยไปได้เรื่อยๆนะ ย, ย่อยไปได้เรื่อยจะถึงละเอียดทีเยิบเลยแม้แต่เราใชาาา้คำว่าสัมมาทิฏฐิคําเดียวเนี่ยสามารถจะเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆนะ เพราะกอบเพราขายมันใหญ่โตมากแต่เวลารับสั่งแสดงแกท่านปัญญวิขีนั้นทรงใช้คำธรรมดาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาวจาสมากรมมนโรสมาชิวไ็ใช้คำอย่างนัน้ก็แปลกที่ท่านเข้าใจนะพอแสดงว่าพื้นฐานบา ร, รมีของท่านไม่จะธรรมดา ทนี้ประเด็นที่อยากจะมองกลับไปที่ตัวอภิญญาเนนะครับอภิญญานั้นแน่นอนว่าเราจะโดยเสด็จร อ, อยุคนบาศให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั้นก็ทําไม่ได้หรอกแต่อย่าลืมว่าคําว่าฤทธิ์เนี่ยแปลว่าความสําเร็จความสําเร็จทึ่เกิดขึ้นจากด้านต่างๆเช่นเกิดขึ้นจากกรรมเกิดขึ้นจากบุญเกิดขึ้นจากวิชา เกิดขึ้นจากยานเกิด ข, ขึ้นจากสมาธิคือสืบว่ามันมีลักษณะเป็นผลแล้วก็เราก็สามารถจะสร้างเหตุได้โดยเฉพาะการแสดงฤทธิ์ที่เหนือธรรมชาติธรรมดาเดินไปบนน้ำเหาไปบนอากาศแทรกไปบนแผ่นดินแล้วก็หายก็ไปตามภูเขาอันดรทานไปจากสถานที่นั้น คือถ้าเรามองในแง่ของธรรมะปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าท่านไม่คล้องไม่ติดอยู่ในโลกนั่นเองไม่คล้องติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายติดน้ำลมไฟอากาศทั้งหมดที่จริงมันเป็นอารมณ์โลกพอถ้าเรามองจากจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นหลักในการทำใจของเราระปัญหาสารพันที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เนี่ย มันเกิดขึ้นจากการที่จิตใจไปคล้องไปยึดไปติดในอารมณ์ทั้งหลายต้องการเป็นอย่างเนี้ยนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นแล้วก็วุ่นวายกันไปหมดไม่เหตุการณ์ของบ้านเมืองเหตุการณ์ของโลกมันไม่มีความสงบเกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งระดับภูมิภาคระดับโลกเนี่ยมันไม่สงบ ความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ภายในจิตใจของปัจเจ ก, กนชนแต่ละคนเราต้องการยายโลกสงบนี่มันทำไม่ได้บางครั้งบางคราวมีเรื่องเป็นนั้นมากที่เราไปแบกโลกเอาไว้อย่างปัญหาศา ส, สนาเวลาเนี้ยที่จริงมันมีปัญหาเยอะปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาอรระไรอะไรเยอะไปหมดเลยปัญหายา ก, กรรม แต่ถ้าเราคิดจะแบกเอาไว้เนี่ยมันก็คงจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้หรอกเพราะโลกมันมีไว้สำหรับเจีบสำหรับอาศัยแต่นั้นเองไม่ได้มีไว้สำหรับแบกเพราะฉะนั้นทำยังไงว่าการยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์ใช่บ้างคือแทนที่จะไปยึดติดอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเน่ะสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้สิ่งโน้นต้องเป็นอย่างโน้นเนี่ยมันก็วุ่นวาย่ย เราสังเกตว่าลักษณะของสื่อต่างๆเนี่ยไปสนใจในเรื่องที่ไม่ค่อยสร้างสรรแล้วก็มีลักษณะซ้ำเติมจนถึงก็ตั้งตัวเป็นสารอย่างที่เคยบอกแล้วเราก็ถูกดึงให้เลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์เหล่านั้นเพอถ้าเราตั้งคำถามจริงๆว่ารู้แล้วมันได้ประโยชน์อะไร หลัามานัเรียนนี่เขาออกสอบไหมคือไม่ได้ประโยชน์อะไรลองดูสังเกตข่าวครา ว, าวต่างๆแต่เราฟังมีเยอะแต่ถ้าเราฟังในฐานะเป็นข่าวคือรับรู้ไว้มันก็ไม่ค่อยเสียหายอะไรเราแต่ถ้ารับรู้แล้วไปกลุ้มไปเดือดร้อนไปบิตกกงังวลไปเครียดกับมันเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะอะรเพราะว่าปัญหา น, นอกวิสัย แทนที่จะไปแก้ปัญหามันก็ไปเพิ่มปัญหาคือแทนที่จะขีดวงให้ปัญหามาอยู่ตรงนั้นแหละเราก็ไปเพิ่มปัญหาแก่เราแล้วในที่สุดเรื่องมันควรจะอยู่ในวงแคบๆก็ขยายวงกว้างออกไปก็ทํายังไงว่าเรื่องราวอะไรต่างๆในโลกเนี่ย การรับรู้คงมีความจําเป็นเพราะเราอยู่ในยุค ข, ของข้อมูลข่าวสารแต่ว่าถ้าขี่กรอบเอาไว้ว่าอะไรควรรู้หรือไม่ควรรู้เนี่ยอย่างการรู้เรื่องไกลตัวไปต่างประเทศต่างแดนต่างๆมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยํ า, า, า, ามันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมารู้แล้วก็รู้เลยวันหลังเขาพูดปกครองรู้เรื่องกันซะนั้นเอง แต่ถามว่าถ้าไม่รู้เรื่องมันจะมีปัญหาอะไรไหมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเราสังเกตว่าเราก็ถูกดึงไปไกลตัวแต่ที่จะแก้ปัญหาแก่ตัวเองได้มันก็ถูกดึงออกไปไกลตัวได้เท่เพราะในความสําเร็จในทางนี้ฤทธิ์ที่แปลว่าความสําเร็จเนี่ยเราก็เทือในยะที่จะพยายามเอาชนะจิตใจตัวเอง พยายามเอาชนะอารมณ์พยายามที่จะไม่เลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆกระแสของสังคมกระแสของเศรษฐกิจกระแสการเมืองอะไรต่างๆแต่ว่าอยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทันด้วยความจริงคือไม่เอาโลกมาแบกไว้รู้จักปล่อยู้จักวางรู้จักถือนะตามจังหวะที่ควร แล้วก็บรรเทาความทุกข์ใจลงไปที่ท่านกล่าวไว้ในอุทันธรรมที่ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราก็ต้องถามใจตัวเองว่าเราต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์กันแน่แล้วถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกให้ความให้จิตมีความเข้มแข็ง ม, ม, มีภูมิต้านทานต่วอารมณ์มากขึ้นขึ้นเนี่ย โดยการยากที่จะอยู่ให้ปกติสุขเพราะมันจะต้องเต้นไปตามจังหวะต่างๆที่มีการสื่อสารในการเคลื่อนไหวกันอยู่และจบลงด้วยเราก็หาคำตอบไม่ได้ว่ามันแลมันได้อะไรเนี่ยก็จริงๆคือไม่ได้อะไรดังนั้นในยากของฤทธิ์ตรงนี้ในอิทธิวิธิเนี่ยเราก็นำมาใช้ได้ระดับหนึ่ง ก็เรียกว่าไม่ถึงเอาตัวอย่างก็เอาเยิ่ยงเรา่อนัยะของเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มันอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะมันก็ห่างไกลนะนะแต่ว่าเราก็เดินไปบนเส้นทางสายเดียวกับที่ท่านได้เดินทำประสบความสําเร็จอย่างสูงแล้วก็สําเร็จในระดับที่ลดหลั่นลงมาได้ เพาแนวธรรมะหรือคุณธรรมจะสูงยังไงก็ตางเนี่ยแม้แต่ตัวนิพพานเองเราก็สามารถหัดสัมผัสได้ระดับหนึ่งเสมอขอให้มีความตั้งใจและความพยายามตอนนั้นต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องกรรมภัปูในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี